68. วิสัยของใครก็ต้องถ่ายทอดด้วยกรรมของตนคุณสมบัติของจิตนิยามขั้นวิสัยปานชนีไม่ว่าจะเป็นชาหรือเป็นพุทธธรรมก็สามารถเกิดได้ด้วยกรรมหรือการกระทำของตนเองที่ทำเองได้เองเท่านั้นกรรมโยนิ ผู้อื่นทำให้บรรดาลให้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นกรรมพันธุแท้ๆไม่ใช่สรีระพันธุนิสัยของจิตวิสัยของจิตจึงถ่ายทอดหรือสืบทอดกันได้ด้วยธาตุทางจิตนิยามซึ่งมิใช่ธาตุทางมหาภูตสี่เลยวงเล็บดินน้ำไฟลม ที่ใช้คําว่ากรรมพันธุ์ไปยืนยันกันว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณสรีระของคนนั้นถ่ายทอดหรือสืบทอดกันทางกรรมพันธุ์จึงเป็นการพูดผิดเข้าใจผิดส่วนนั้นมันสืบทอดหรือถ่ายทอดกันได้ทางสรีระต่างหาก ไม่ใช่การถ่ายทอดทางจิตใจหรือจิตวิญญาณแต่การถ่ายทอดทางวิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่สรีระต้องถ่ายทอดทางกรรมเท่านั้นและกรรมเป็นของของตนกรรมมสกะตนเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับโมระดกกรรมของตนกรรมทายาทได้ การถ่ายทอดหรือสืบทอดของจิตนิยามจึงทำได้ด้วยกรรมการกระทำเท่านั้นทางอื่นไม่มีแม้จะเป็นอนุสัยซึ่งควบแน่นผนึกแน่นกินลึกยิ่งกว่าวิสัยก็ตามก็ล้วนสืบทอดถ่ายทอดการข้ามพบข้ามชาติกันได้ แต่เป็นตนเองเป็นของตนของตนเท่านั้นใครจะข้ามไปถ่ายทอดสืบทอดหรือแก้วิสัยแก้อนุสัยของผู้อื่นไม่ได้เด็ดขาดตนเองคือความเป็นสายะเท่านั้นที่จะถ่ายทอดวิสัยอนุสัยของตนโดยตนเองสะยงังด้วยกรรมของตนเอง แม้จะเป็นอนุสัยนี้แหละก็แก้ไขได้ถ้าใช้ทฤษดีของพระพุทธเจ้าที่สัมมาทิฏฐิจริงๆย้ำนะว่าต้องสัมมาทิฏฐิขอให้เริ่มต้นก็แล้วกันถ้าไม่เริ่มต้นสักทีก็แน่ยิ่งกว่าแน่ว่าหมดหวังดังนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่อาศัยกรรมทั้งสี่คือ อาชีวะกรมมันตะวาจาสังกัดปะนั่นเองตามหลักมรรคองแปดซึ่งก็คือปฏิบัติโพธิปักขียะธรรม37นั้นแหลก็จะแก้นิสัยได้มาเป็นลำดับลำดับคนเรานั้นมีชีวิตประจําวันเป็นอยู่ด้วยนิสัยโดยมีวิสัยและอนุสัย เป็นต้นทุนที่หนุนหนักอยู่แต่จะเจริญพัฒนาตามทฤษฎีของพระพุทธศาสดาเปลี่ยนแปลงนิสัยวิสัยอนุสัยของตนได้จริงๆ